ทัศนะสู่ธรรมเรื่องท่านพุทธทาสที่ข้าพเจ้ารู้จักโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเคมานันทะวันที่22สิงหาคม2536เหตุผลที่ผมรับคำเชิญนะครับที่มาพูดเกี่ยวกับท่านอาจารย์เนโมกต่อวันี้ถ้าผมใช้คำว่าท่านอาจารย์ ขอให้ทราบว่าเป็นหมายเรกว่าท่านอาจารย์ส่วนโมกไหมครับก็มีอยู่สองประการครับการแรกคืออยากจะพูดในสิ่งที่อยากจะพูดซึ่งคิดเพียงแต่ ว, ว่าจะได้เพิ่มเติมในส่วนที่ตัวเองได้รู้เห็นเพื่อประกอบกับทัศนะหรือสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังจาก คนอื่นหรือพระภิกษุรูปอื่นอะไรนะครับผลประการที่สองก็คือผมเองโดยส่วนตัวเป็นหนี้พระคุณท่านอาจารย์มากไม่ไม่รู้จะตอบแทนโดยวิธีใดนะครับตั้งแต่ท่านสิน้นบุญแล้วก็ยังไม่ได้ลงไปกราบศบมัวแต่ไปพูดที่น้นที่นี้ถือเอาเป็น เหมือนว่าเป็นบุญกิริยาที่การได้พูดถึงบุคคลที่เรารักเราเคารพตรงนี้ไม่ได้หมายว่าเราจะเทิดทูนเฉพาะท่านอาจารย์ที่ส่วนโมก ค, คนเดียวเท่านั้นคนอื่นเราไม่นับถือผมไม่อยากจะเห็นตัวเองหรือเพื่อนเพื่อนฝูงหรือแม้แต่ชาวพุทธทั่วโลกนะครับ ทำด้วยกิริยาอย่างนั้นซึ่งเป็นอาการยึดมั่นในยึดติดในครุบาอาจารย์คุณตัวซึ่งกิริยาเช่นนั้นในพุทธศาสนาถือว่าไม่งามแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะครับเมื่อไปแสดงธรรมจนบาศก์บ า, กบาิการเรื่อมสายแล้วเปลี่ยนจากการนับถือพวกนิครหรือชายนะมานับถือท่านท่านเตือนว่าจงทําทานทำบุญกับ นักบวชที่เคยนับถือต่อไปคำนึงถึงภาษาจีนบทหนึ่งนะครับสาหรับคนรุ่นสมัยหรือคนรุ่มมนใหม่อาจจะเลอล่าไปแล้วก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับเขาพันธหลวงศิษย์หรือครูเป็นครูหนึ่งวันเป็นบิดาช่วยชีวิตคำพูดนี้นะเราได้ยินมาเพราะด้วยเหตุผลที่ว่า พราจีโนรานถือว่าครูนั้นหายากยิ่งหาดีย า, าหรือเป็นทรมนีมของคนโดนออกเมื่อบุคคลเริ่มออกแสวงหาความรู้แจ้งทางวิญญาณประการแรกเขาต้องหาครูเขาให้พบกันปราศจากครูแลนั้นการตั้งต้นลำบากมากครับเว้นไว้แต่กรณีของบุรุษชาติอาชาในจริงอย่างกรณีพระสมานพระเจ้า แต่แม้ข น, นาดท่านยังต้งต้นโดยครูแม้ว่าครูสอนผิดๆก็ตามอท่านอาจารย์ที่สุดโม่งนั้นเคยปลาลบออผมได้ยินอย่างน้อยสองครั้งเรื่องเกี่ยวบครูครูของผมท่านพูดนะไม่ใช่ตัวของนะครูของผมที่ท่านใช้คํ า, าว่าผมเพราะผมเองเป็นนักบวชตอนนั้นท่านไม่ใช้คําว่าอาจารย์นะครูของผมคือนายคํา ที่อวนายคำนั่นคือการทดลองความจริงอย่างชีวิตผมคิดว่า น, นี่เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้นไหมครับต่อวิถีทางของท่านาจารย์เป็นโมกการทีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดมากมายแต่แล้วความคิดเหล่านั้นก็ว่างเปล่าเหมือนฟองน้ำที่เปื่อยแห้งไปถ้าปราศจากการทดลองในหนังสืออัตรวัตของฮาธมักคีนะครับ ประโยชแรกนี่สำคัญมากในการเขียนอัตราวัตรแม้โดยทั่วไปเราทราบว่าหมหาวัฒน์คันธีเป็นนักการเมืองผู้นําแต่แล้วท่านเองเรียกตัวเองว่าเป็นนักาศาสนาข้าพเจ้าทดลองชีวิตทางาศาสนาในสนามของการเมืองเนะฮะจิตสมนึกของหมหาตัฒนคันธีนั้นเป็นนักาศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติผมคิดว่าจิตสมนึกที่นําบุคคลไปสู่ความสําเร็จ เป็นสิ่งที่ต้องทิงนิวิเคราะห์เป็นเบื้องแรกครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องกรณีของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งเรารู้ว่าเป็นวีรบุรุษของชาตินี้นคําถามคือเพราะอะไรพระเจ้าตากจึนประสบค์ชัยช น, น, นะทั้งทั้งที่เป็นสามัญช น, น, นในขณะที่ชื้พระวง์เป็นทายาทสายตรง ก็เป็นหัวหน้าก๊กหนึ่งด้วยแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจิตสำนึกที่นำพระเจ้าตากไปสู่ชัยชนะ <c oughs> ก็คือจิต ท, ที่จะรวมไทยอีกคนหนึ่งนั่นเองความดมฤทิ์ที่จะรวมไทยในขณะที่เจ้าก๊กอื่นๆ น, นั้น <c oughs> โช่วยโอกาสที่ประเทศบ้านเรือนแตกเป็นเสียงดังนั้นขอเช่นหนึ่งก็แล้วกันเห็นะฮะจิตสำนึกนี้นำไปสู่ชัยชนะในที่สุดนั่นไม่ได้หมายถึงแค่รวมไทยได้ โดยสีไม้ลายมือของนักการหารแต่ว่าเอาชนะใจประชาชนทั้งหมดด้วยครับจิตสมนึกเช่นนี้สำคัญมหาบุรุษทั้งหลายหรือพวกบุรุษชาติอาจารย์ในจะรักษาจิตดวงแรกที่มีจนึกที่จะทำอะไรไว้อย่างต่อเนื่องและยาวนานท่านอาจารย์สนโมก็เหมือนกันภายหลังนั้นท่านพูดผมว่ า, าที่จริงผมไม่ใช่คนมีความรู้ความสามารถอะไร แต่ผมมีสิ่งหนึ่งคือผมจริงเสมอฉันพูดอย่างนั้นนะแล้วเราเห็นว่าทุกครั้งที่ท่านเทศนาเนี่ยคระพิกษุโดยทั่วไปผมไม่มีตำหนิดีเทียนพระนะครับมักจะพูดเล่มพูดหัวพูดให้โยมติดอกติดใจแต่ว่าท่านอาจารย์เวลาเปิดมิติในการเทศนานี่บางทีเราใจเต้นระคึกกลัวท่านจะพูดอะไรที่เราไม่อยากได้ยินนะครับซึ่งเป็นนิสยยัยของเราที่ไม่อยากให้ใครมา เจแทงเข้ามาในหัวใจของเราเหมือนกับว่าน้องสาวหรือเพื่อนบอกเร า, าเธอมันโ ง, ง่เราจะไม่ชอบแต่ต่งงางหากจะเป็นเรื่องจริงนะครับบทบาทของท่านอาจารส่วนโมงนะครับนับตั้งแต่วันแรกในปีเจ็ดพ่าของการตั้งสง่วนโมกและเป็นปีนั้นเป็นปีของการชิงชัยความเป็นผู้นำทางปัญญา เ, เราริจนะก่อนนะครับว่า คำพูดที่ผมเอ่อยนี่มันหมายถึงอะไรประเทศนี้นะครับนับตั้งแต่สุโขลราชอาณาจักรสุโขทยัยซึ่งปกครองระบบพ่อเมืองพ่อบิดาปกครองบุตรจนกระทั่งยุทธยาะรบเทวสิทธิ์จนทั้งรัตนโกสินทร์ระบบสมุติเทพอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทั้งหมดหรือ ก, กินรวมมาถึงสมัยศรีวยุัยด้วยแล้วเนี่ยนับเวลาได้ประมาณพันปีเศษนะฮะ ันกว่าีที่อำนาจเด็ดขาดสูนวมออำนาจอยู่ในกำมือของพรมหาวิศว์ในรูปหนึ่งรูปใดปี75ปีที่ประเทศเรามีประสบการณ์ครั้งใหม่คือช่วงแห่งการโอนถ่ายอำนาจรัฐจากการสูนว ม, มไปสู่คณะราษฎรลึกอกลึกออ ก, ออกใช่ไหมครับสิ่งนี้ถ้าทุกคนรับรู้ ฐานะผู้รับรู้เป็นนักเรียนอน อ, ก, อกเช่นนายทหารนี่เคยเรียนฝรั่งเศสก็ไม่แปลกอะไรเพราะเขารู้ว่าอานาจตกถึงมือจัรวรรดิได้เขามีประสบการณ์ในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ผู้ที่ไม่เคยเรียนเมือง น, น, นอกอย่างท่านอาจารย์สมม น, นั้นนับเป็นสิ่งใหม่ทีเดียวครับแล้ผมเชื่อว่าผู้ที่มีพลังสร้างสารรค์ซ่อนอยู่ในตัวในช่วงนั้นเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวใ น, ในกระแสความรู้สึกนึกคิดว่า มันอะไรกันนุ่งนะครับที่ภาษากรีกโรมันเขบอกโควาดิสแปลว่าเอาเอาทางไหนกันแน่เมื่ออำนาจที่เคยอยู่ในมือเพระมหาะษัตร์ถูกโอนถ่ายมาเป็นสู่คณะราษฎรซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ในความรับรู้คนไทยทั่วไปนะครับดังนั้นเองผู้ที่มีพลังอยู่ในตัวนะจะต้องออกค้นหาความจริงให้ได้ด้วยเหตุผล ข, ข้อนี้แล้วกำลังครับที่อาจารย์สมมุตตัดสินใจออกจากประเทศ มหาเงือมมหาเงืมอซึ่งอยู่ในวัยที่ท้าทายทางภูมิปัญญาและในการค้นหานั้นนะครับก็ทด้มีที่จัดตั้งสวนโมกชื่อของสวนโมกปรารามบอกว่าเป็นอารามสวนป่าที่ให้พลังต่อวิมุตโมกษัในพิธีดวงแรกครับที่ท่านตั้งบนิธานไว้ผมเชื่อถึงปัจจุบันนี้นั้น พันธุานันนี้ได้ได้บรรลุถึงตามที่ท่านตั้งใจไว้แล้วตามระดับของท่านผมไม่ได้ใช้ประโยคว่าดีที่สุดในโลกไม่มีใครทัดเทียมไม่ไม่ใช่นั้นนะจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะได้เข้าใจอุปนิสัยของท่านนะครับเท่าที่ถ้าเปคนจริงแล้วก็จิตดวงใดตั้งไว้แล้วก็ต่อสู้เพื่อรักษาจิตดวงแรกปณิธุา น, นั้นให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ครั้งหนึ่งผมเคยเรียนถามท่านเมื่อสมัยผมเองยังเป็นนักบวชด้วยความท้อแท้ระอาหรือจะกู้ระเบือนายผมอาจารย์นี่ครับผมมีเต็มระเบียบกดเกณ ม, มากผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ส่วนรวมเนี่ยชอบธรรมะแต่ว่าเมื่อต้องปฏิบตัติต้องควบคุมตัวเองต้องอดกลั้ น, นมันลำบากครับเราเราชอบธรรมะแต่ไม่ชอบระเบียบอะไรที่มันบีบคั้นมากเกินไปก็ผม สอบถามท่านนะครับด้วยความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งท่านท่านจะให้คำตอบเสมือนที่พระพุทธเจ้าให้คำตอบกับพรามซึ่งเข้าใจผิดในทางดีกับพระองค์ไรอาจารย์ท่านบอกว่าเราผมไม่ได้แข็งแกร่งอะไรผมคิดจะสึกตั้งหลายครั้งหน่ยคุณรู้หรือเปล่านี่เป็ น, นการบอกอะไรบางสิ่งที่ตรงไปตรงมาสัตย์ซื่อต่อความเป็นจริง ที่จริงขั้นจะคุยโวทับไปก็ได้ว่าษผมติดใจกแกล้งผมก็เที่ยวอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับที่พรามพันหนึ่งจะถามพระเจ้าว่าพระองค์เป็นสัพพันญอยู่ตลอดทุกขณะไหมหรือรู้แจ้งอะไรทุกอย่างไหมแทนที่พระเจ้าจะตอบนะท่านบอกว่าเปล่าท่านบอกสัตยคตินั่จะเป็นสัพพันญูรู้แจ้งเห็นจริงตลอดทุกทุกขณะพราม์ก็จะคิดข้าวข้างบอกเอ๊ะแล้วทวําไมเมื่อถูกถามปัญหาเท่าไร ทรงท่านตอบได้ทันทีเรากับ ว, ว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าพระเจ้าทรงอธิบายว่าเนื่องจากจิตท่านบริสุทธิ์มันโน้มไปสู่ปัญหาปัญหาก็แตกออกเนื่องจากนุดเรานั้นมีอาสวะห่อหุ้มดังนั้นมีความเชื่องช้าทางคุณปัญญาปัญญาไม่แล่นนะฮะส่วนพระเจ้าผู้บริสุทธิ์นั้นก็ไม่ได้รู้คําตอบอยู่ล่วงหน้านี่คือบุคคลที่มีเกียรติในตัวเอง ในบรร ด, ดาผู้นำในทางจิตวิญญาณนะครับเผมเองอาจจะพูดเพราะอาจจะยึดถือในความเป็ชาพุทธนะครับอ่จงคิดว่าภาษาสระสาาาทั้งหลายเนี่ยมีพระองค์เดียวเท่านั้นครับที่สัต์ซื่อกับเพื่อนมนุษย์ไม่อ้างตัวเป็นเทพเจ้าไม่อ้างเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะฮะแม้แต่ว่าไม่อ้างตัวเองเป็นประตูธรรมซึ่งทุกคนต้องเดินผ่านชั้นนั่นเป็นจิตวิญญาณที่สัตว์ซื่อบอกตรงตง ท่านอาจารย์สุนโมก็เป็นดังนั้นนะครับท่านบอกอะไรตรงๆสาเหตุของการคิดสึกก็เรื่องหน้ากบกันทั้งสิ้นครับคือเห็นคนเข้ามาถือปืนมายิงนกในใ น, ในวัดแลราว่าผมนึกสนุกอยากไปสึกกับไปหาปืนแล้วก็บอกยิงนกมันบอกถึงจิตที่ทุกซนคิดนึกแต่แล้วนั่นเป็นเพียงรูปของความคิดที่ผ่านเข้ามาส่วนสิ่งอื่นซึ่งยิ่งใหญ่กว่า ดูแลครอบงำไว้ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นผมคิดว่าเราน่าจะเรียกกันว่าบารมีนะในความหมายที่แท้จริงของพุทธศาสนาไม่ใช่ในความหมายของความเป็นเจ้าพ่อหรืออันตพานหรือซึ่งเป็นภาษาซึ่งเรานำมาใช้ผิดๆไปแล้วครับบรรดาปวงสาวสดาในอดีตนะครับไม่ว่าเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่หรือศาสดาพยากรนะครับ ึเป็นสัปดาห์ที่มาเพื่อเป่าประกาศท้าทายอำนาจรัฐต่างๆนั้นน่าจะมีอวิสัยหนึ่งก็คือความเป็นบุรุษชาติอาชาหนเมื่อปฏิบัติแล้วก็ต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนสำหรับเราท่านผู้ผู้มีบุญเคได้พบพระพุทธศาสนาได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีแต่เราอาจจะด้อยในทางออวาสนาก็ได้นะฮะคือคือเรามีบุญแต่ว่า บางสิ่งคือบารมีไม่หนุนคนโราณผมคิดว่าคนโราณของไทยนี่ก็พูดเขาคิดดีมากครับท่านคงได้ยินข่าวบุญพาดวาสนาใช่ไหมครับคือบุญพาวาสนาสง mm hmm. การไปพ้นิพานนั้นต้องอาศัยบุญและวาสนา mm hmm. บุญมีบารมีไม่ถึงเขาพูดอย่างนี้นะครับที mm hmm. ่จริงแล้วผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าในการที่พูดถึง ใครคนดใคนดคนหนึ่งให้ถูกต้องบริบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนั้นเราทําไม่ได้ครับผมเองเมื่อต้องพูดเกี่ยวกับเสด็จคุณท่านอาจารย์สันโมกนั้นตะกลั้นตะครอทีเดียวครับมไม่รู้จะพูดออกรูปไหนตั้งท่าจะพูดในเชิงวิชาการคิดทบไปทวนมาคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์แต่ว่าผู้อื่นคงพูดได้ดีกว่าผมแน่ดังนั้นก็คิดว่า ช่วงหนึ่งที่ผมใช้ชีวิตร่วมกับท่านในช่วงก่อนหน้าที่โลกจะขาดรับและช่วงหลังจากโลกหรือประเทศชาติหรือในเอเชียนี้ขาดรับท่านแล้วสําหรับผมนั้นไม่ว่าโลกจะขาดรับท่านหรือไม่ขาดรับท่านยังเป็นท่านอาจารย์เหมือนเดิมครับเป็นลมโพล่ลมสายแวะไปผ่านส่วนมากที่ไหนก็แวะไปนั่งถามปัญหาคุยเรือยไป โดยไม่ได้รู้สึกท่านยิ่งใหญ่หรือหรือท่านเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการพุทธธรรมเลยเผมคงจะต้องนำเกร็ดเล็กๆน้อยๆ น, ยนะครับแทนที่จะเป็นวิทยาการก็ขอเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆแต่นั่นก็หมายถึงว่าเป็นอัตวิสัยของผมด้วยเพราะผมเป็นผู้เล่า มีข้อเท็จจริงหนึ่งที่มีคนกล่าวกันว่าเมื่อนักเขียนเล่าอัตประวัติของตัวเองแล้วเนี่ยจะมีความจริงน้อยกว่าเรื่องที่เขาแต่งทีเดียเพราะเขาได้วางกลไกป้องกันตัวไวห้หลายจุดทีเดียวครับผมเองไม่ใช่นักเขียนแต่ว่าจะเล่าแต่ผมสัญญาว่าจะเล่าป้องกันตัวให้น้อยมากๆครับเพื่อท่านจะได้ข่าวสารเกี่ยวกับบุคลิกภาพ อ, อุปนิสัย ชีวิตส่วนตัวและการทดลองความจริงของชีวิตของท่านมีคนเคาะร้ายไม่ใช่น้อยครับที่ลงในสวนพผู้เราไปเจอในช่วงที่เห็นอากับเรยยงท่านและเข้าใจาไม่ได้เช่นเลี้ยงไก่เต็มวัดหรือเลี้ยงปลารอบกุฏิอหรือเลี้ยงสุนัขพันุดีนะครับรอาจจะเข้าใจผิดเพราะแหมท่านรักสวยรักงามหรือเป็นอยู่ยิ่ยงกว่าคลหัดผู้มังค์ขังตีนอัน โดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับข้อเท็จจริงคือท่านอาจารย์นั้นอุทิศเวลาช่วงหนึ่งนั้นสำหรับแปลพระคำพีศักดิ์สิทธิ์แล้วผมจำได้ถึงวันคืนทุกยากของท่านออกบินบาทออกบินาบาทรับน้ำแกงจากชาวบ้านพร้อมกข้าสวยแล้วก็ราดน้ำแกงเพื่อให้กินและมีแรงนั่งแปลคำพีที่เราอ่านที่พิมพ์แร่หลาย น, นี่มันเกิดจากวิธีการ น, นั้น เมื่อช่วงไหนที่แปลถึงคําพูดของผู้เจ้าในเมืองบาลีว่าภาษาคตเป็นไก่ผู้พี่ที่เกิดออกจากฟองเจาะฟองออมาก่อนท่านอาจารย์นั้นก็ต้องเลี้ยงไก่ท่านจะเลี้ยงก็จะดูซึ่งเหล่านี้เต็มเป็นร้อยร้อยตัวที่คนไม่เข้าใจใช่ว่าแหมท่านรักสวยรักงามไงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสวยสวงามไม่ใช่เรื่องสุนักนะครับหลายกันทีเดียวของเทศตนาเนี้ออกมาจากการสังเกต เช่นยกหูชูหางก็คือสุนักเวลาจะกัดกันเนื่องจากแย่งชิงความสำคัญต่อกันละกันผมคงเล่าไปเรื่อยๆเขยิบๆเป็นอย่างนั้นเองนะครับไ ม, ไม่ได้ตั้งให้เป็นระบบอะไรเพียงเพื่อได้รับฟังเกล็ดเล็ก ๆ, ๆน้อยๆสมัยช่วงทุกข์ยากของท่านนี่นะครับผมได้เกิดแล้วว่าช่วงปีเจ็ดห้านั้นเป็นช่วงชิงชัย ความเป็นผู้นำทางปัญญาไม่ว่าอาจารย์ปรีดีหรือแม้แต่คนแผลงอย่างนรินกรุงนรินภาศิตก็ตามนะนั่นเป็นปริยาต่อการโอนช่วงโอนถ่ายอำนาจรัฐซึ่งแต่ละคนไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากนะท่านอาจารย์ก็เหมือนกันดังนั้นความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านเป็นเหตุใ้ค้นประคำที <c oughs> จากความรู้ภาษาบรีในแค่ปรเรียนสามนะครับสอบตกปรเรียนสี่ซึ่งต่อมาภายหลังท่านไม่ยอมรับว่าท่านตกท่านบอกผมว่ากรรมการต้องตรวจผิดแน่ๆอันนี้จะตรงตามที่ท่านพูดหรือไม่นะั้นอีกเรื่องหนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะในช่วงของชิงชัยพมผู้นำทางปัญญานั่นเองนะครับที่ได้เพาะสร้างบุคลิกภาพ ซ, ซึ่งแปลกประหลาด ท่านคงไม่ยินข่าวนะครับว่าคนๆผู้คนรอบภูมิเรียงือสวนโมกเก่าวัดพังกิกนั้นนะครับก็ถือมีพระบ้ารูปหนึ่งไปอยู่นะฮะไม่เคยพูดพูดน้อยถ้าท่านเทียบภาพปัจปจุบันนี้นะครับท่านอาจารย์เคยพูดบ่อยมากเมื่อเทศนานะครับเรียกท่านเรียกตัวท น, นเองว่าหมาบ้าครับเลยสุนัขปากร้ายช่วงการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพจาก ความเงียบขรึมสุขุมลุ่มลึกนิ่งสงบไม่พูดมาสู่การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาและแหลงกล้าหรือถึงขั้นที่บางค น, หนเห็นว่าเรื่องกล้าวราวต่อโลกและต่อสังคมช่วงการเปลี่ยนบุคลิกภาพอันนี้ครับถ้าเรามองที่ท่านเราอาจจะมองในแง่ลบว่าท่านเปลี่ยนไปมากแต่ผมเคยมองผิดนะครับเดี๋ยวนี้ผมมองใหม่แล้วครับผมมองว่า ปฏิกิริยาท่านก็เป็นสิ่งสะท้อนเป็นดัชนีชี้บ่งถึงสังคมไทยซึ่งฟอนเฟะขึ้นได้ส่วนกันทีเดียวครับท่านรุนแรงขึ้นลุกตีจนทั่งเรียกตัวเองว่าหมาปากร้ายสุนักปากร้ายคนที่ขวัญอ่อนเกินไปนะครับเมื่อไปเจอท่านเขาลำบากครับหลายครั้งหลายหนที่ปฏิยานั้นแสดงออกอย่าง ตรงไปตรงมาจนผู้ริงไม่ค่อยคุ้นกับวิถีทางเช่นนี้นะครับรับไม่ได้แล้วไม่ไปที่นั่นอีกเลยพุทธศาสนาเบาเชราวาสนะครับเข้ามาสู่บ้านเมือ ง, รองเรานเกือบแปดร้อปีก่อนหน้านั้นนี่เป็นมหายานนะครับแต่ล่องรอยมหายานเหลืออยู่ในศิลบ่าวัตถุเท่านั้นถ้ามีอยู่ในวิถีชีวิตประจมันบ้างก็คืออุปนิษายของคนภาคใต้ซึ่งค่อนข้างกล้าวและทรนม มีผลไม้ลูกหนึ่งล้วผ่าสองซี่แล้วเราถือซี่หนึ่งแล้วจินตนาการอีกซี่หนึ่งนั้นก็คือสภาพที่ไม่สมบูรณ์พระพุทธศาสนาจะกลับสมบูรนิอีกสักครั้งหนึ่งก็คือต่อเมื่อเราเอาลักษณะเด่นๆของมหายานนะครับกับสิญยาหรือเถววัส ม, มารวมกันเราจึงจะเห็นรูปของผลไม้ทั้งลูกแล้วเราจะเกิดจินตนาการใหม่พวกเราฝ่ายเทววาตไม่คุ้นกับอรหันต์จี้กอง อรหันที่เมาหรือจับโปยลหันซึ่งบุคลิกภาพดูร้ายหน้าเกลียดหน้ากลัวแต่เราคุ้นกับรูปพระอรหันต์ที่นั่งเรียบร้อยในจิตกรรมฝาผนังนะครับทุกองค์นั่งยิ้มเรียบร้อยหมดเราคุ้นกับระเบียบฝ่ายเสนาว่าทอาจารย์เคยถูกโจมตีใส่ร้ายป้ายสีอย่างรุนแรงว่าเป็นพวกมหายานและถือว่าพวกมหายาณเป็นพวกนอกรีบโปรดอย่เข้าใจเช่นนั้นนะครับมหายานนั้นเป็นญาณที่สูงทรงทีเดียนะครับ เราศึกษาเข้าแล้ ว, ลวเราจะพบว่าทุกสิ่งที่หินญาณมีมหายานมีไตรวิดกทุกเรื่องครับเรื่องทัพปฏิจจตาเรื่องในหินญาณ น, นี้ก็มีมหายานอยู่ด้วยนะครับการแบ่งเป็นมหายานหินยาณ น, นั้นมันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมในใ น, ในลําดับเป็นไล่ลําดับปริบตรมาเรื่อยเท่านั้นเองดังนั้นผู้ที่มีจิตใจเปิดกว้างอย่างท่านอาจารย์นั้น ท่านไม่ยอมหยุดอยู่เฉพาะหินิยานเท่านั้นครับศา ส, สนาของพระเจ้านั้นนะครับมันไม่ใช่ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เราจะสร้างขึ้นเองได้ในท้องถิ่นหนึ่งแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาเข้าไปสู่รากเง้าถึงขวัติชนะที่แท้จริงนั้นอันหนึ่งจุดเด่นของวิธีทางท่านอาจารย์ก็คือท่านไม่เพียงเข้าใจโลกแห่งการแปลเปลี่ยนท่านกระจายว่าทุกสิ่งทุอย่างต้องเปลี่ยนแปลง พร้อมกันั้นมีบางพวกบางเหล่าหรือว่าบางท่านนะครับอาจจะเข้าใจเฉพาะลักษณะซึ่งแปลเปลี่ยนที่เรียกว่าอนิจจังนะครับแต่ไม่เข้าใจลักษณะการสืบต่อของพุทธศาสนาก็ได้สำหรับพระอาจารย์นั้นท่านเข้าใจทั้งสองด้านนะครับท่านปรับหลายสิ่งบทสวดมนต์เอ่ยพิธีกรรมเอ่ยเนี่ยท่านรู้วถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนเพื่อให้เข้าสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปภายใต้การพัฒนา มีเทคโนโลยีเป็นลากสารหรืออะไรก็สุดแค่นะฮะแต่เพราะงั้นท่านไม่ได้ละทิ้งแก่นสารของคดีครั้งหนึ่งท่านพูดกับผมว่าที่จริงสิ่งที่ผมสอนนี้นะฮะสิ่งที่ผมสอนนั้นผมสามารถตั้งนิกายใหม่ได้แต่ผมจะไม่ทําด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ดีเคารพในปราดเครื่งองก็ดีท่านเป็นคนสภาพอ่อนโยนมากครับแต่ภาพที่ออกมาร้วนแล้วแต่ทําให้รู้สึกบางคนสันท้า สายหน้าเพราะกำพูดซึ่งตรงไปตรงมาค่อนข้างก้าวร้าวดุนี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่เล่าให้ฟังถึงช่วงแห่งการเปลี่ยนบุคลิกภาพครับมันสะท้อนถึงไอ้สังคมไทยซึ่งหันเหและสับสนขายานท่านผู้นี้นะครับถ้าใครติดตามวาทะของท่านมาตลอดเพราะว่าท่านรู้ทันโลกชีวิต ถ้าไม่ใช่เป็นพระภิกษุที่อยู่ป่าและศึกษาพระคำพีพูดวัวหารแบบพระเทศบนธรรมะแล้วไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสังคมการเมืองอะไรประมาณ ช, ช่วงหลังปี2 5 0พันหร้อยนะครับที่เรียกกันว่าถึงพุทธการองการสหประชาชาติได้ปจักแจ้งขึ้นมาว่าปัญหาเรื่องการทวีของประชากรเนี่ยเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาหลักในอหนาคตอาหารจะไม่เพียงพอจึงเกิดโครงการใหญ่ซึ่งเรียกว่าปฏิวัติเขียว แล้วในช่วงนั้นนนัเป็นโครงการซึ่งทุกคนปราบปรืมกันมากครับว่าจนกระทั่งผู้ที่ค้นคิดยาปราบแมลงที่เรียกดีดนั้นได้รับรางวัลโนเบลเพราะว่าค้นพบกันว่าเพราะแมลงทําลายปริมาณของอาหารไปดังนั้นถ้าจัดการกแมลงได้แล้วก็อาหารจะพอเพียงที่รับประชากรซึ่งทวีขึ้นอย่างน่ากลัวในช่วงนั้นเองครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราไปจับคัดกันว่า ปัญหาหนึ่งดีดีนั้นมันทำท่าจะฆ่ามนุษย์เอาเสร็จแล้วครับน้นการไปวัติเขียวครั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่คำตอบเดี๋ยวนี้เรารู้กันแล้วว่าเป็นปัญหาหนักออผมไม่ต้องแจแจ้งสู่รายละเอียดนะครับแต่ว่าช่วงนั้นผู้ค้นพบดีดีนั้นในฐานะเป็นนักวิชาการทึ่ศักดื์อิตัววิชาการก็ได้รับรางวัลโนเบลไปนะครับพฤติกรรมมันแปลกประหลาดและ ไม่มีใครสงสัยในด้านลบของมันนี้หาได้พ้นจากขายานของท่านอาจารย์สมโมคไปได้ไหมในช่วงที่โลกกำลังเปล่าปลืมกับกรีนวิลววิชั่นนะครับปฏิวัติเขียวอาจารย์ท่านประนามยุดตลอดเวลาถรืท่านระแวงวนะ่าสิ่งนี้มันจะนำอะไรมาสู่มนุษย์ก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เรารู้กันแล้วครับว่าทุกวันเรากินสารพิษอะไรเข้าไปมากมายกายของเออ ในช่วงที่ท่านกำลังต่อสู้และกำลังปรับเปลีนนะครับทั้งพัฒนาและบุคลิกภาพนั่นเองเป็นช่วงที่พระผู้ใหญ่เป็นช่วงที่มีปัญหาภาษาบรรสงเยอะมากๆสามันสงค่อนข้างลังเกียจพระหนุ่มรูปนี้เขามียมคิดที่แปลกประหลาดพูดอะไรเหมือนเพื่อนดูเสมือนว่าโจมตีพุทธรูปว่าเป็นภูเขาแห่งพุทธธรรมแต่ว่โดยข้อเท็จจริงแล้วนะท่านอาจารย์เป็นคนชอบฟังในพุทธรูปมากครับ ผมบอกได้เลยบางครั้งนั่งคุยผมเป็นชั่วโมงเรื่องความงามของพุทธรูปนั่นคืออีกด้านหนึ่งซึ่งละเอียดอ่อนและลุ่มลึกและอีส่วนที่ท่านต้องแสงออกก็เพราะว่าเป็นปริยาของคนไทยทั่วไปที่ยึดถือพระพุทธรูปลาวกับเป็นจเจวัตนั่นเองนะฮะไม่ได้มองไปสู่สั ญ, ญลักษณ์แห่งการศัตรูเราเห็นพระพุทธรูปนะฮะมีโพยพุ่งขึ้นไปข้างบนเรียกพระพามนตรนเป็นสัญลักษณ์ของการต ร, รัสรู้สมบูรณ์ พระพุทธรูปไม่ใช่ลูกเขารบแต่เป็นสัญลักษณ์ของมณฑลธรรมอันชดช่วงครับเราเห็นมีเดือนแก้วเห็นไหมฮะเดือนแก้วหมายนึนโธ ท, ทิปักทิยะธรรมความใส่ใจในเรื่องความงามและศิลปะต่างๆท่ญญานอาจารย์มีอย่างมากนะครับอาจจะมีใครได้รับทราบว่าท่านร้องเพลงไทยได้มากหลายเพลงจำได้มาก จะบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมนดูตรงข้ามไปสั้นสิ้นเลยผมไม่ข้อสังเกตนะครับว่าวัตถธรรมนี่จะมีสองลักษณะที่เหมือไปนะครับสิ่งที่เราแสดงออกสู่สาธานะซึ่งเป็นเรื่องการต้องรู้จักการเวลาสถานที่โอกาสและบุคคลแต่ลึกๆในส่วนดวงท่านนั้นเราจะพบอีกแง่หลายแง่งงงมุมทีเดียครับขะอสอในสร้งข้อสังเกตกับท่าน มีพระเศระน้อยรูปมากครับอผมจะระบุถึงในสักองค์หนึ่ง<ม>ก็คือสมเด็จวัดเทพศิลิมงคลที่รักรักใคร่และเข้าใจธนาจารมจักรมากมากครับสมเด็จพระสังฆราชในช่วงนั้นนะะสมเด็จพระสังฆราชที่อยู่ที่วัดเบญจกถึงได้เรียกท่านข้าหลวงเทพไปแล้วสั่งห้ามสอนพุตถศาสนาโดยเฉพาะเรื่องไม่ยึดมั่นถึงมั่นพระอาจารย์กลับไปแล้วก็โอบนให้ฟังว่า จริงๆผมก็ไม่ควรสอนจริงๆด้วยเพราะว่ามันอันตรายแต่ว่าท่านบอกว่าผมเป็นคนดือ้อถ้าสิ่งไหนถูกแล้วผมจะดือ้อท่านนี่คือนิสัยของท่านท่านก็สอนจนได้แล้วสอนจนกระทั่งวันสุดท้ายนะครับแต่แล้วครับในช่วงสั์ถีสังเนยนานครับการสังเนาพายวิญญกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศพมา่าพระพิสูจเนิ่มซึ่งถูกลังเกียจจากคณะสงนั้น กลับเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ไทยไปประชุมระดับนานาชาติที่นั่นทั้งนี้เพราะอะไรทร้บไหมครับเพราะว่านายชกนันรีของข้าว่าคืออูนุผู้ซีสัพทา น, นพู้สานนามากระ บ, บุผ่านคณะสงฆ์ขอให้เอาพระรูปนี้ไปประชุมมันเป็นซช่อย่างนี้ครับเหมือนคำพูดในใ น, ในรพระธรมดีแบบว่าพระศาสดาจะไม่ประสบความสเร็จในท้องถิ่นของตัว ผมไม่ได้หมายท่านอาจารย์เป็นศาสดานะครับแต่ผมคิดว่าบุคลิกภาพของท่านนั้นคล้ายคลึงกับศาสดาพยากรในตัวหนอาอ ก, กลางนะครับหรือผมหวังว่าคงเข้าใจความหมายคำว่าศาสดาพยากร